แล้วต่อไปหน้าร้อยเจ็ดปนะครับข้าศึกปพิสูจน์ผู้ได้ชีวมาใหม่พึงถือเอาวัตถุที่กระทำให้เสียสีอย่างใดอย่างหนึ่งในปันดาวัตถุที่กระทำให้เสียสีสามอย่างคือสีเขียวก็ดีสีเปือกตรงก็ดีสีดาก็ดีทำพิพิธุไปบ หากว่าพิสุจไม่ถือเอาซึ่งวัตถุที่จะทำให้เสียสีใดอย่างหนึ่งในบรรดาวัตถุที่ทำให้เสียสีสามอย่างคือใช้สอยย้อนใหม่อ้ออารบัดปาจิตตีผ้าที่ได้มาใหม่ต้องเอาวัตถุที่มีสีดังกล่าวทำเป็นจุดกลมขนาดหลังเล็บนิ้วก้อย หรือดวงตานกยุมลงบนผืนผ้าพร้อมกล่าวว่าอิมังกับปามทินทุงกัตโรมิขปเจ้าทําจุดบันสมควรนี้เพื่อให้เสียสีและเพื่อเป็นเครื่องหมายจาจีวอนก่อนที่จะนุ่มหมนะครับอันนี้นะถ้าบอกว่าพิดสูน่าจีวรมาใหม่เขาว่าจีมรใหม่คือหมายถึ ง, ถงจีวรที่ยังไม่ได้ทาเครื่องหมาย จีบอลใหม่จะเป็นผ้าใหม่ผ้าก็กแล้วแต่นะแต่ผ้าที่ยังไม่ได้เคยทำพินท่เลยนะครับชั่วใหม่ที่นี้เอาผ้าขนาดไหนผ้าที่ขนาดเราจะมานุ่งมาผมได้นะครับขนาดพอหนุผมได้นะทีนี้ไหมอังสานเนี่ยก็ต้องทํำพินทุเหมือนกันพราะเราก็มาผมใช่ไหมครับนี่นะต่อขนาดนะั้นจะเป็นผ้าใช่ไหมคือเล่งๆเราหนุ่มาผมไม่ได้นะี่นะอันนี้ก็ไม่ต้องนะครับไม่ต้องพินทนะุนะอื่ถ้าบอกว่า วัตถุกที่จะเอามาทําให้เสียสีเนี่ยมันมีสามสีนะสีเขียวสีเขียวให้ผมว่าเบอกว่าสีเขียวใบไม้นะสีเขียวใบไม้เลยคือธรรมนานะครับสีมันกับสีเขียวของใบไม้อย่างใดอย่างหนั้นสีเขียวนั่นะครับแล้สีเขียวสำลิดสีนั้นบอกว่าเป็นสนิมของสำลิดนะครับเคยเห็นไหมที่ชาวพุทธรูกนะเวลาเขาจะทำพุทธูกให้มันดูเก่าๆนะ ใช่ไหมครับใช้สำลีแช่อะไรทานะแล้วก็ไปแช่น้ำไว้นะแล้วเขาใส่น้ํากดอะไรหรือเปล่านะนะแล้วแล้วก็จะให้ขึ้นสนิมใช่ไหมสนิมมันจอกเขียวๆนะครับสนิมสำลีอย่างเง้ยนะครับนั่น ะ, นะจะเป็นสีเขียวอย่างงั้นนะเขียวสนอย่างั้นนะครับหรือว่าเขียวใบไม้ไอ้น้ำเงินนี่ก็ไม่เขียวนะ <c ười> น้ำเงินอคือสีน้ำเงินไี่ใช่สีเขียวเขาบอกว่าอะไรนะ สมัยก่อคนไทยสีน no ้ำเงิน <niet> ก <Question. S 1> ็เรียกว่าสีเขียวถึงจะเรียดหรือนไม่เรียดยังไงก็แล้วแต่นะครับะนั้นทีนี้ท่านระบุว่าสีเขียวแบบไหนนะก็คือเขียวใบไม้เขียวสำริดนะครับต้องเขียนอย่างนี้ยอันนี้ไม่ใช่เขียวอย่างนี้นี่คือน้ำเงินนะครับบางนี้เขาบอกแล้วว่าเขียวคลางมันก็อย่างเออเขียวคลางอย่านี้แสดงว่าอัเขียวไม่คลางก็มีแต่ก็ใช้อย่างนี้นะครับ เขียวนะคือเขียวอะสีเปลืต้นะครับสีเปลืต้มมันจะสีอะไรสีชาดีสอใช่ไหมจอสีนั่นนสีเปลดต้มอันนี้นะแล้วก็สีดำนะครับสีดำสีดำอย่างไั้อย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็ปากกาสีดำปากกาหมชืสีดำไม่กี่สีดำใช่ไหมนี่ก็ใช้ได้นะรก็ปากกาไมีกี่สีดำสะดวกดีทีเดียวเลยจิ้กององมันใหญ่ ปากกาแต่ผก็ก่าจะได้ใช่ไหมครับนี่นะอันนี้อย่างได้อย่างหนึ่งนะครับทําปินทัน่แล้วบอกว่าทําอะไรเป็นจุดกลมๆจุดเดียก็ได้นะครับอ่าจุดเดียก็ได้นะครับหลังเล็บนิ้วก้อยมันบอกว่าขนาดเท่าหลังตัวเลือดนะพวกามาันหลังเล็บนิ้วก้อยแหละนะครับอันนี้ก้อยอันนี้ก้อยมันผมก็อนัน <c oughs> นี้ก้อยผมนี่แหละแต่ันนี้ก้อยผมมันจะใหญ่นะ่ะผมกพยายามทำวงผมใหญ่หน่อยนะครับ อันนี้ถ้ากราหลังเล็นมือ ก, ก้อยนะครับหรือว่าถ้าดวงตานุ่ยุ่งก็ได้ครับดวงตานุ่งยุ่งนะเรามองผืนผ้าพร้อมประกาศว่าเราจะไม่พูดก็ได้นะครับเพราะอาการการทาพินทูจะสำเร็จหรือไม่สําเร็จไม่อยู่ที่คาพูดอยู่ที่ว่าเราทํหป่านะครับทํามันอยู่กลงกองไหถ้าไปทําเป็นสายมันเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรนี่ไม่ได้นะเป็นช่อดอกไม้ระบายสีว่าดผ้า น, นี่น่ะไม่นั่งทั้งนั้นนะครัะ ถ้ามันจีกรองอย่างเดียวนะถึงจะได้นะครับจุดเดียวสจุดจุดเดียวก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้าสามจุดก็ก็ไม่มีปัญหานะครับคอยมันได้ขนาดก็แล้วกันแต่ถ้าถึงสามจุดหรืไม่ได้ขนาดนี้ก็ไม่ได้ครับขนาดนี้ต้องได้ครับที่เขาทำกันนะสามจุดแต่แรกๆไมได้จริงราอันนั้นใช้ไม่ได้นะประมาณขึ้นเต็มเนั่ยนะเราดูหลังเล็บนี้วก้อยเราประมาณนี้นะครับเนี่ยับ ตานใ น, ใ น, นาตัวสูตรเนี่ยเขาบอกว่ายืนแต่นั่งอยู่บนหลังชานแล้วมองมองข้างหน้ามองตัวเลือดใช่ไหมครับอ๋อรอยทาปินทูนี่ใช่ไหมครับอืมนั่นนะขนาดนั้นจะว่าไม่ได้เล็กในมากนะครับอยู่บนหลังช้างจะมองเห็นนะมองเห็นครับทําทปินทูนก็ที่มุมจีวอมุมใดมุมหนึ่งนะครับท่านบอกว่าแม้จะทําที่ผ้ารูว่างนะ ไอ้ที่ดุมๆก็อย่างได้นะครับยันได้อไดอขอให้ทำก็แล้วกันนะครับอันนี้นะใครจะบอกกับปากทินทุงพินูุ้กับปังก็ได้นะนั่นสองอย่างนะครับกับหน้ากําหลังได้อะไนี้ เ, เพื่อประโยชน์อะไรบอว่าเพื่อทําให้เสียสีใช่ไหมทําให้เสียสีแล้วก็เป็นเครื่องหมายจํำจีวรเกาะที่เจนุ่มผมนะครับอันนี้สําคัญเลยเพื่อเครื่องหมายจดจํำจีวร น, นะครับ เครื่องหมายของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหมมันจะอยู่คนละตำแหน่งนี่นะครับอะไรได้จาได้ว่าจีวผืนนี้เป็นของเรานะบางรูป ท, ท่านท่านทําบิดตัวนะครับท่เาเขียนชื่อสัลงไปเลยนะชื่อก็ตัวใหญ่บเบ้อเลยนะยังอุตสาหมีคนหยิบไปผิดนะครับ <c oughs> โอ้ยเหลือเกินเจ้าของนี่ก็ฉุนหน้าดูเลยนะของแกเข้าหยิบไปผิดสองสามครั้งเลยแกอสาหเขียนชื่อไว้ตัวใหญ่ในะนนั้นแกก็เลยฉุนหมดเลยว่ะแยกกีด้ โอกาเขียนชื่อนะกปีนดันใส่เข้าไปก็ยังมีคนจิบไทยนะต้องดูให้ดีนะมันจีวรไทยกันแน่นะครับที่ดมกลิ่นก็ได้นัจะรู้ใช่ไหมเดี๋ยวบางทีถ้าสร้างใหม่ๆก็คุยถ้าเรากลัวมันจะสับสนกันอ่ะเราทำเครื่องมายอะไรพิเศษก็ได้ของผมในความจีวรผืนนี้มันจะมีเครื่องหมายพิเศษว่าไอ้ด้านมันจะเป็นสีขาวนะครับอันนี้มันจะหลอกสีชมพูหลน้อยแล้นะ ด้มันจะใหญ่ไอตัวลุมลุมมันจะใหญ่เขาลุมนองลุมน ะ, ะใหญ่มากแล้วก็จะเป็นสีขาวใช้ได้สีขาว้รรมด า, นานมันก็จะไม่เหมือนของใคงไรไงนะครับ<ม>พ่อส่วนใหญ่จีวารสีจะคล้ายๆกันใช่ไหมนะครับหรือใครที่สีแปลกๆก็ไม่ต้องกลัวสีแดงสีอะไรใช่ไหมแต่ถ้าสีเดียวกันบางทีที่สามกันเพราะว่าไม่ไม่ค่อยเอาจีวารติดตัวนะครับชอบไปวางไว้ใช่ไหมตามตัวตามว่าอี๊ยนก็วางแล้วนั้น ที่เวลาจะไปนี่ยก็ไม่จําไม่ได้ก็เลยหยิบผิดนะถ้าเราติดตัวบ่อยๆเนยะก็ไม่ไม่ค่อยวางมากนะหรือวางเข้าไปห้อยไว้อะไรจําที่ห่างตัวเองให้ดีคนระับมันก็จะไม่ค่อยสลับผอผมนี่ก็ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะ่เสีย ม, มุ้งจ้าผมไว้แล้วก็ก็ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นด้วยนะงี <c oughs> ้ลแล้วก็จะต้องําบัตรตอนไหนก็ต้องบัตรถ้าเราไม่ได้ทำปิ้นทู่เนี่ยจะต้องบัตรตออามานุ่มผมนะครับ <c oughs> ตอนนี้นะ ไอ้ที่เอามาผ้าหัวยนี้ก็ต้องบัดนะครับจะต้องบัดเพราเอาผ้าที่ไม่ทํากับปาสผิวทูเนะ่เนี่ะมานุ่งหรือมาขุ่นะครับอันนี้จริงต้องทำบัดเพราะฉะนั้นผ้านี้สิชนะนะถ้าเราจะเอามานุ่งเนะเราคิดว่าจะเอามานุ่งนะเนี่ยแล้วควรทําเอาไว้ครับถ้าเราไม่ได้เอามานุ่งเลยก็ไม่เป็นไรนะไม่ทำมิตรกม่เป็นไรนะครับผ้านี้จิตนะไปนันครับ มันดูต้นมันย่างนะครับสองหกสิบเจ็ดสองหสิบเจ็เน้เรื่องของพิสุหลายรูปนะครับโดยสมัยนั้นพระพุทธเจ้าประทัะะาอยู่หน้าพระเชตาวาันอารามของอนาถาบินกะข้ามดีเข็พระนครสามวันทีครั้งนั้นผู้พิสุกับผู้ปริพาชกสางพางกันเดินทาง พิสุก็ไปปริพาโชคก็ไปใช่ไหมเดินทางไปนะครับจากเมืองสาเกตไปยังพรนครสามัคีในระหว่างทางพวกโจรได้พากันออกมาแย่งชิงพวกพิสุ ก, กับพวกปริภาโชคเหล่านั้นนะครับไม่ได้แย่งชิงตัวนะแย่งเชียร์ข้าว ข, ของไปนะครับก็เชียร์จีวรของท่านไปด้วยนะอนะครับชิงดังของท่าของปริภาโชคนะครัพวกเจ้าหน้าที่ได้ออกจากพรนครสามัคี ไปจำโจรเหล่านั้นได้พร้อมนักของกลางนะครับโจรเข็นใจนะจีวรท่ากงมาจิ้ขงขมมยนะครับนี่นะและก็ส่งผู้ไปในสำนักที่สุดทั้งหลายว่า <c oughs> นีม่มนพระคุณเจ้าทั้งหลายมาจำจีวรของตนของตนได้แล้วจงรับเอาไปที่สุดท้งหลายก็ไปนะครับพอไปดูแล้วก็จำจีวรไม่ได้นะครับว <c oughs> ่าผืนในเป็นของใครเนี่ย น, นะแ <c oughs> สดงว่ารีฟาร์ทสมัยก่อนอนะ ที่ใช้สีจัวเมือนกับพระก็มีนะครับอันนี้นอยือตรงนี้นะนะครับถ้าเขาจาไม่ได้ครั้นี้ชาวบ้ากก็พากันแห่งข้อติดเต็มบทนาว่าฉนันให้ทุกคุณจ้าข้างหลายจาจีวของตนของตนไม่ได้แล้วชืู่ทั้งหลายดินชาวบ้านเหล่านั้นแห่งข้อติดเต็มบทนาอยู่จึงกล่าวเรื่องนั้นแคดกมาผ่าจ้างนะครับต้องจําไม่ได้นะจัวของใครของใครนะครับ <laughs> จําไม่ได้นี่ชาวบ้านแท่งเ่าเลยนะ <laughs> จาวชเวงไม่นาา่าครับว่าแทงโขดนะ้าไม่ได้นะครับไม่ได้นะ <hi> ต้องดูสีดูกลิ่นดูกลิ่นอะไรให้ดีนะดูเครื่องหมายนะครับของใครของใครนะอะไรนะทำไมไม่ดมกลิ่อ๋อจวนที่สวยนี้ไม่ดมกลิ่นดูใช่ไหม <hi> ไม่ดมเหมือนกันครับนะครับผุ <hi> <hi> บ้ดูองก็เรือกเอาไปถึงูกและจ้านะ รูป ด, ดวงประชุมสงสงสอนฐานนะครับแล้วก็มายสิกขาบทนี้ขึ้นมานะครับมันดูคาอธิบายครันคำอธิบายเนี่ยสองร้อยอยี่สบสามนะข้อที่แปดนะอธิบายทุกพภณะกรณกสิกขาบทพึงสราบอธิบายสิกขาบทที่แปดต่อไปท่านจะอธิบายสับแสงนะครับ ชื่อว่าลับพระเพราะอ่านว่าได้แล้วลับพระนั่นแหละชื่อว่าลาพะถามว่าได้อะไรตอบว่าได้จีวรนะครับถามว่าได้จีวรเช่นไรตอบว่าได้จีวรใหม่คือจีวรที่ยังไม่ได้ทําเปิณฑูร์นะเพราะเหตุนั้นเมื่อควรจะตั้งว่านวจีวละลาเพนะนะแต่ก็ตันว่านวังจีวละลาเพนะเป็นนวังนะโดยไม่ลบนิขิตออก ไอต้ตรงจุบกลมข้างบนวอแหวนนี่เคลื่อนนิหิตนะครับไม่ได้ลบออกนะขยายว่าได้จีวอนใหม่คําว่าปณะที่อยู่กลางสองบทระหว่างนาวังกับพิคุนาเวื่เราท่องน่ะนวังปณะพิคุนาจีวราราเทนะใช่ไหมจะเป็นนวังปณะพิคุนาปณะอยู่ตรงกลางนะครับเป็นเพียงนิบาสไม่มีความหมายอะไรนะครับคําว่าพิคุนา เป็นคำแสดงถึงพิสูุนผู้ได้จีวรใหม่นั้ น, น ค, คำที่เหลือนะว่าโดยใจความของบทชัดเจนแล้วโอชัดแล้วนี่ค่ัก็ในสุดา่าทนี้มีเน้ชายดังต่อไปนี้พิสูจน์ได้จีวรที่พอใช้นุ่งหรือห่มนะครับเอขนาดพอจะนุ่งห่มได้นะย้อมเสร็จแล้วทำกับปากสืนทุนทนจุดที่สมควรครับ แล้วก็มาทําันแล้วกันนะในที่ใดที่หนึ่งในผืนผ้านะก็ทําไปนะครับตรงไหนก็ได้เป็นจุวงกลมเท่าตานกยุงหรือหลังตัวเลือนะครับหรือเท่าหลังไม่มีก้อยนะเป็นสีเขียวสีเปื่อยเปิมหรือว่าสีดำสีใดสีหนึ่งนะครับที่สูบไม่ใส่ใ จ, ใ, จใช้สอยโดยไม่ทํากับปากปินทูต้องอาบัดปาจินจะีบใช้สอยในที่นี่หมายถึงนุ่งผมนะ ตรงนี้ในขั้นใดีกาพิมมันเตีอธิบายว่าไม่ใช่ว่าจีวอของเราอย่างเดียวนะแม้จีวอนที่เรายืมมานะครับเราดูที่ไม่ทํากระเป๋าปิดทู่แล้วเป็นนุ่มผมนะก็ต้องอวบเหมือนกันนะครับเนี่ยถ้าบอกว่าอาจารย์ท่านหมายกล่าวว่านะย่อมกล่าวว่านะครับอะไรนะพิสูได้แม้ได้จีวรนด้วยความเป็นของยืมนะครับเพื่อประโยชน์แก่การนุ่งนะ สึ้นวันเล็กน้อยที่ยังไม่ได้ทํากับป่านะครับก็สงเคราะห์เข้าว่าได้จีวรใหม่เหมือนกันนะเพราะถ้าเราไปยืมจีวรห้องครัง ม, มาโนมกหมก่อนใช่ไหมพื้นฐานที่ยังไม่ได้ทําปินทูนี่ก็ไม่ได้นะคราบทำให้ต้องอาบัดเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าของเราอย่างเดียวแม้ของที่เราไปยืมของอื่นมาเนี่ยก็ต้องทำปินทูก่อนมาแล้วนะครับถ้าก็ยังบอกต่อ ว, ว่านะแม้ถ้าอังศะนะครับอังศะเนี่ยก็ต้องมาทํากับป่าเหมือนกันเพราะว่าก็มาผม เหมือนกันใช่ไหมครับ อ, อันในตรงนี้ท่านกนะ็ที่บายสีเชที่บานสีนะครับสีอะไรนะยเนี่ยท้าบอกว่าสีเขียวนะครับสีเขียวใบไ ม, ม้สีเขียวของช่างหนังนะครับได้ อแต่ในมนหาปรจรีกล่าวว่าสนิมแหลกเนี่ยสนิมโลหานั้นชื่อว่าสีเขียวเหมือนสำลิกนะครับคือสนิมเหลกที่ว่าสีเขียวนั่งแหละแล้วก็สีเขียวใบไม้เป็นน้ําใบไม้ชั้นในชั้นหนึ่งที่มีสีเขียวนรัเข้าใส่ครามเข้ามาทำไมของท่านใช้นี้ละนี้ละบับณ์ น, นี้ละธรรมดานะ น, ะน้ําใบไม้ที่มีสีเขียวอย่างใดอย่างนี้เก็ใช้สั่งเองนะครับ อันนี้จะบอกว่าเดี๋วก่อ น, นรับมันไม่เสีไยไนหนึ่ง น, นะทําตรงไหนทําที่มุมทั้งสี่ที่มุมหรือที่มุมทั้งสามที่มุมทั้งสองหรือมุมเดียวก็ได้แต่ในมหาปัจจ리กล่าวว่าจะเือยพินทุที่ผืนผ้าอนุว่านะครับหรือที่ลูกดุมนะครับไม่ควรส่วนในมหาประากล่าวว่าควรแท้นะครับอันนี้ได้นะมันเปัญหานะครับเขาบอกว่าที่ผืนผ้า อันที่ผืนผ้าไม่ว่าอธิบายหรือว่าผืนผ้ารูดดุมไม่ได้ไม่ใช่ตัวรูดดุมลนะผืนผ้ารูดดุลหาปฏิบบอไม่ได้แต่หาไค่ะอันหานได้ถามบอกว่ า, า, า, าได้เพราะนั้นควรแล้วใช้ได้เหมือนกั น, น อ, อันอีกข้อทีเป็นจุด ก, กลมกลมนะทีนี้มาดูการขายต่อนะครับเก ยังไงใช่ไหมครับสีเปลือกตมนีนังวางช่ไหมนะกระทมังวาใช่ไ้มครับสีเปลือกตมสีค้าดตีนส่อครับสีข้าวตีนสอ้อมันจะดําสีเปลือกตมมันดํำแบบดินสอน่อเนาะแค่เปลือกตมนะมันมีต้มแดงสีเป็นตม้มตมสีอย่างนั้นนะมันดําค่ำๆนะครับ <c oughs> เวลาเปลือกต้มมาดูเคยเป็นเด็กมันจะเล่นขี้โครงนะครับนั่นแหละเนื่องถึงสภาพเปลืตมนะเอาสีเปลือกต้มมาแทนนะครับนี่มืองวากับข้ามัองวากลารักษามืงวัยใช่ไหมกับข้าวนะครับสีคล้ายดูนซอสลองดูนะระหว่างไอ้ประการสีดํากับดินสอเนี่ยมันจะเป็นสีต่างกันใช่ไหมครับลองดูใช่ไหมนะครับถ้าประการดำว่าคือมันจะดำเลยใช่ไหมครับท่านซอมันก็จะตีแบ่งเหมือนนะ มันจะดำคําพ้ำนะครับเนี่ยเปิดตรงก็ท่าท้ายอย่างนี้แหละนะครับอันนี้อนี้จะาทำแล้วต้อหายทําแล้วมันหายไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าทําแล้วแหนะครับได้ น, น, น, นะครับทุกท่านแ่านจะบอกแนวนะบัตทําแล้วหายก็ดีทําแล้วจางก็ดีนะถือว่าได้ทําแล้ว น, นะครับไม่เป็นอาบัตขอไม่ทําำันแล้ว <c oughs> <c oughs> กันนะครับน้เหตุเกิดแล้เประเภทในอาบัตนะครับ สิขาบท น, นี้คุณพระพากเจ้าทรงปลารถพิสุล่ายรูปในเมืองสาบถีทรงบัญญัติไปแล้วเพรเห็นคือการจําจีวรของตนไม่ได้สิขาบท น, นี้เป็นสาตารณะบัญญัติทพิสุนีก็มีเหมือนกันนะครับอะไรนะนวังปัญะพิภูนิยาชีวราลาพายาก็เปลี่ยนลิงใช่ไหมปรุงลิงมีถีลิงครับ <c oughs> อ น, นั้นติกั่นะครับไม่เกี่ยวกับการใช้นะตัวเองไปนุ่งห่มเองนะ ตีกลบมาจิตตียังไม่ได้ทําพินทูเข้าใจสงสัยถกเพ่ิดเอาไปนุ่มผมต่อแบทั้งนั้นนะครับพิสู่ทําำพินทูแล้วสําคัญว่ายังไม่ได้ทําหรือมีความสงสัย น, นี่ก็ต้องอ่าน บ, บทุกกฎนะครับถ้าสงสัยแล้วก็ทําใหม่เลยใช่ไหมไมื่อเราทํำไปแล้วเนี่ยไปสร้งางบัตอะไรบ้างบทีมันหายใช่ัหมเราแล้ว ก, สสกไไ็สงสัยกูเอ๊ะทำไมทํามันได้ยังสงสัยก็ทําใหม่เลยนะครับ พอ ส, สงสัยแล้วก็ยังถือไปนุ่งหมใช่ไหม็จ <c> ะ <oughs> ต้องถุกกอกบนะครับอาบัตรพิสูจไม่ต้องอาบัดเมื่อทําผินทุแล้วนะครับสคัญว่าทําผินทุแล้วใช้สอยได้ใช้สอยผ้าที่ทําผินทุไว้แล้วแต่เรือนหายไปนี่แหละหายไปก็ไม่เป็นไรนะถือว่าทําไปแล้วนะครับใช้สอยผ้าที่ทํากับเปัาผินทุแต่จางแล้ว คำว่าเก่าถูกเป็นจาง น, นะครับ <c oughs> คือสีมันตางไปลน ะ, นะ <c oughs> ก็ถือว่าได้ทำไปแล้วนะครับ <c oughs> ใช้สอยอันนี้ก็ต้องแก่นะใช้ผ้าที่เย็บน่เป็นใช้สอยผ้าที่ไม่ได้ทําพินทุกนะครับ <c oughs> ที่เย็บติด ก, กับผ้าที่ทําพินทุ <c oughs> อันนี้ก็ได้นะครับ <c oughs> ตอนแรกจีวรเป็นผืนเดียวใช่ไหมถ้านาการจีวรสองชั้นเอาพืนมาเย็บติดใช่ไหมครับ <c oughs> แต่พื้นกาวท่านทําพินทุอะไรนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไร ใช้สอยผ้าปักใช้สอยผ้าท่าใช้สอยผ้าดามนะครับมายเพราะว่าทําพินทูไปแล้วนะทีนี้ผ้านั้นมันขาดเป็นชอ่องเปนทะลุอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับเราก็ผ้ามาปักมาท่ามาดามามาใหม่แบบนี้นะที่เย็บติดทายหลังนะครับแล้วก็ถือว่าได้ทําพินทูไปแล้วหน่อยะมันจะขาดจะฉีกอะไรเอาผ้าหรือมาดาหลังก็มีปัญหาถือได้ท่าความไว้แล้ว แในี่สู่บ้าเป็นต้องก็ไม่ต้องหากบาตนะครับหนดตรงนี้ท่านอาจารย์ที่มาทำนี้ครับบอกว่าไม่มีกิจที่จะต้องทําต่อป่าในผ้าที่ทํางต่อป่าแล้วเพิ่มผ้าในภายหลังนะครับแต่พวกผ้าท่าผ้ายาผ้าอะไรที่มันเท่งกันมาอันเก่าเราทำไปแล้วมีปัญหานะต้องถือว่าทําไปแล้วนะครับที่ครันนี้องศาแบบนี้คือหนึ่ง จีวรซึ่งมีประมาณดังกล่าวแล้วนะครับไม่ใช่ว่า25คูณ50นะนี้ถ้าถามมันต้องตอบได้นะจีวรที่ต้องทําพินทั่วขนาดไหนใคร25คูณ50เซนเลยนะไม่ได้นะครับเอาเพอที่เจนุ่มผมได้เป็นสี่ถามผมนี่นะจีวรขนาดนี้นะครับแล้วยังไม่ไทํากับปากพินทุ่สองไม่ได้มีจีวรที่เสียหายไปเป็นต้นนครับ หมายความว่าถ้ามีจีวรเสียหายถูกโจรชิงเอาไปเนี่ยเราก็ผ้าอะไรสักอย่างเนี่ยมาคว้ามานุ่มผมก่อนก็ได้ใช่ไหมครับทีนี้ทำกับปางไม่ดูอะไรได้แต่ <c oughs> นี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนัไม่ได้สมัยนะ <c oughs> นะครับสามนุ่งหรือผงผ้านะนะครับเมือ่อครอบองศาก็ต้องเอาแบบปางสิทธิเลสิกขาบทนี้นะครับสมุทัยเป็นต้นเหมือนกับเอเวะกะโรมาสิกขาบทเหมือนเดิมใช่ไหมกาย กายจิตนะครับถือว่าถึงไม่รู้ใช่ไหมเรายังไม่ได้ทําสำหรับือว่าทําแล้วไปนุ่งก็ต้องอา่านบัตรอยู่ดีถ้ามีจริงก็รู้เท่ารู้นะครับอันนี้เกี่ยวกัายเพราะว่าเอามานุ่งหรือมาผมนะต่างแต่สุกท้ายบทนี้เป็นกิริยากิริยาต้องอา่านบัตรเพราะทำและไม่ทําเท่านั้นแหละต้องเพราะทาอะไรครับ ทำการนุ่งห่ไม่ทําอะไรครับก็ไม่ได้ทำครับไม่ทําสินทรุษนะครับต้องครับจกการอธิบายทุกภาชนะ ก, การนั ส, สิกข้าบทเจ้านะครับเสดงว่าแถว น, นี้ไม่ยาก